ขอรน้อมน้อมพระพุทธระธรรมประสงค์ขอระลึกถึงคุณหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอากราบขอากราบหลวงพ่อกรมพแบบระจันยุกิพระจาย์มานพพระจันวันลชัยแล้วก็เพื่อทำใม้ทุกท่านนะจเจริญ ใ, ในเจริญธรรมในไม่ชีแล้วก็อยากจะทำทุกคนนะ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 ก็ไม่รู้ใช้ภาษาบาลีถูกหรือผปล่านะก็ใช้เป็นบาลีแบบคนไม่ได้เรียนนะก็ถือว่าในในช่วงที่ได้สัมภาษณ์หลวงพ่อก็มีเก็ดหลายอย่างที่ก็น่าสนใจนะคิดว่าถ้าเราถ้าเราศึกษาจากจากชีวิตจากชีว ป, ประวัติของหลวงพ่อนะเราก็จะได้ประโยชน์ในหลายอย่าง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 พ่อบอกแต่ก่อนหลพ่อก็ไม่ไม่เข้าใจก็ก็ไม่ชอบนะวิธีทํานองนี้นะก็ยังชอบวิธีเดิมก็คือทำความสงบอยู่นะแต่สิ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านเทศท่า น, านสอนมันก็เป็นสิ่งที่ ท, ท่าทายที่อยากจะให้ท่านรู้นะออคือการปฏิบัติทำใหม่ๆก็ทุกคนอะไรนะมันก็ต้องมีความอยากที่อยากจะรู้ธรรมะ ตัณหาที่อยากจะรู้ธรรมะเนี่ยมันเป็นธรรมดาของของผู้ปฏิบัติใหม่ๆนะถ้าเราไม่อยากจะรู้ธรรมะเนี่ยเราก็ไม่มาปฏิบัติใช่ไหมไม่รู้จะมาปฏิบัติทาไมมาบวชทาไมนะแต่แรกมันก็ต้องมีความอยากนะเป็นธรรมดาไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดไม่ได้เสียหายบางคนบอกว่าฉันไม่อยากจะรู้ธรรมะไม่อยากบรรู้ธรรมก็เลยใช้ชีวิตแบบธรรมดานะแหละนะก็เหมือน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 เพื่อนำพาชีวิตเราให้ออกจากกระแสโลกนะให้มาปฏิบัติธรรมแต่เราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยเพื่อละตัณหาอีกทีหนึ่งนะอืละความอยากที่อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะมีอะไรนะเพราะถ้าเรายังปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็ยังมีความอยากมากๆเนี่ยนะมันก็จะมีรู้อะไรนะเหมือนหลวพ่อคำเขียนเองท่านบอกตอนปฏิบัติใหม่ๆเนี่ย ก็อยากรู้มากนะอยากรู้ก็สงสัยตัวเองทําไมปฏิบัติหลายอาทิตย์แล้วก็ยังไม่รู้ธรรมะนะจึงต้องไปถามหลวงพ่อเทียนว่าจะมีไหมคนที่มาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนแล้วไม่รู้ธรรมะออาจจะเป็นผมนี่แหละคนแรกนะ่ะสมัยก่อนคนที่ปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนอาจจะยังไม่มากนะักนะแต่หลวงพ่อเทียนท่ายืนยันว่าไม่มีหรอกนะ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 แต่การภาวนาบางทีท่านก็ไม่ได้วงางใจพึ่งคนอื่นนะท่านก็พึ่งตัวเองบางทีมีเนนนะหลอกรู้รู้จักรูปรู้จักนามนะมาถามหลวงพ่อเทียหลวงพ่อคงเขียนว่ารู้จักรูปรู้จักนามหรือยังนะหลวงพ่อคงเขียนก็บอกว่าอืมก็ยังอะนะทาไมดึื่งง่า ย, ายๆแค่นี้ไม่รู้นะเนนก็พูดประมาณนี้แต่สอนให้ก็ได้นะหลวงพ่อคงเขียนบอก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 แม้สังคมคาดคานิยมทั่วไปจะคิดเช่นนั้นแต่หลวงพ่อท่านคิดว่าพระที่ไม่ค่อยรับผิดชอบในาศาสนามีเยอะนะท่านอยากจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องาศาสนาหรืออาจจะมองกมุมหนึ่งว่าคนที่สาเร็จทางโลกเนี่ยอาจจะมีเยอะแล้วนะแต่คนที่จะทาประโยชน์ในทางธรรมในการสอนสั่งผู้คนเนี่ย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 พ่อบอกอืมอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเขาพูดคุยกันเราห้ามไม่ได้นะแต่ท่านห้ามตัวเองที่จะไม่พูดคุยกับเขาะท่านก็เคี่ยวเข็นตัวเองนะออถ้าไม่ได้ตําหนิเ อ, อว่าเพื่อนไม่ดีอะไรต่างๆแต่ท่านเน้นที่จะเคี่ยวตัวเองก่อนวินธบาทเสร็จฉันนะต้องมาทีต้องหาบน้นะําน่ะจากที่อื่นมามาล้างบาทนะ่ะ ทำไมก่อนเนี่ยน้ำน้อยนะ่ะต้องไปหาจากที่ไกลๆล้างบาทกันทุกคนให้ทั่วเอาน้ำล้างบาทเนะ่ะมาล้างจานต่อล้างจานเสร็จก็ไปรด น, น้ำต้นไม้ต่อน้ำหายากต้องประหยัดมากกลับมาหลวงพ่อก็บอกว่าพอกลับมาถึงกุฏิเนะี่ยก็วางบาทไว้อย่างแรกที่ทําเลยนั่งยกมือสร้างจังหวะในห้องอะ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 นั่งยกมือท้านจังหวะอยู่นะหลวงพ่อเถียงก็ถามว่าเห็นข้างนอกหรือเปล่านะหลวงพ่อบอกไม่เห็นไม่เห็นครับนะเพราะท่านอยู่ในห้องเนะอทํายังไงละ่ะถึงจะเห็นข้างนอกนะหลวงพ่อคงเทียนก็เลยออกมาอยู่ตรงหน้าประตูนะหลวงพ่อเถียงเลยบอกว่าเนะี่ยให้ปฏิบัติตรงเนี้ยแหละนะให้อยู่ตรงที่ตรงประตูเนี่ยแหละนะนะอท่านบอกว่าเนี่ย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 สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้นะไม่ใช่จะเอาแต่ความสงบอย่างเดียวหรือฟุ้งซ่านอย่างเดียกก็ไม่ดีนะะฟุ้งซ่านอย่างเดีย ว, นะนะนะยยวจิตก็ไม่มีสมาธิไม่ตั้งมั่นสงบอย่างเดียวก็เฉ่ยนะก็ชาก็ก็นิ่งเกินไปก็ไม่ถูกเหมือนกันหลวงพ่อเองถ้าเก็ยังเล่าว่าสมัยก่อนหลวงพ่อเทียนไม่ค่อยอยู่ที่วัดไปสอนที่นั่นที่นี่นะ บางทีท่านก็อยากจะตามหลวงพ่อไปด้วยเหมือนกันแต่ก็าท่านบอกไม่มีค่ารถตามไปนะนะก็บางครั้งเอยต้องเฝ้าวัดบ้างก็มีนะบางทีเฝ้าวัดนะท่านก็บอกว่าอืมก็กวาดลานวัดกวาดถนนกวาดทางเนี่ยเป็นทีละหลายชั่วโมงนะเออเราก็เห็นภาพเลยว่าบางทีท่านก็เดินจงกรมท่านก็สร้างจังหวะเนาะแต่พอถึงเวลาทํากิจท่านก็ทํานะ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 ทำอย่างเต็มที่แต่เชื่อว่าบุคลิกของหลวงพ่อคือทำนะแต่ไม่คุยนะไม่ใช่ทำไปคุยไปเล่นไปนะทำเวลาทำงานก็ทำจริงๆนะไม่ใช่ทำแบบเล่นๆนะเวลาภาวนาก็ทำจริงๆนะไม่ได้ว่าอ่ะไม่ใช่แบบไปยอมแพ้กับความง่วงอันนี้ก็เป็นที่ว่าเป็นบุคลิกที่สาคัญนะ ถ้าเราปฏิบัติทำนะเราก็ต้องทําตั้งใจทําจริงๆนะเวลาเราทํางานเราก็ต้องอตั้งใจทําจริงๆนะแต่การตั้งใจในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราต้องเคร่งเครียดนะกับการภาวนาแบบอยากจะเอาให้ได้บังคับตัวเองเพ่งจ้องนะกดข่มความคิดไม่ใช่นะอืแต่ให้ทําแบบสบายๆนะให้ทําแบบเห็นนะ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 มีความโกรธหรกอคนปกติอันเนี้ยเรียกว่าเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในหรือบางทีเห็นคนอื่นก็ทําถูกเห็นคนอื่นก็ทําผิดนะแต่ไม่ใช่ไปจับถูกจับผิดแต่เอามาเพื่อสอนตัวเองนะวันที่หลวงพ่อบอกบางทีเพื่อนเขาพูดคุยกั น, น่ะท่านก็เอามาสอนตัวเองว่าเราจะไม่พูดคุยกันฟุ้งซ่านแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าพูดคุยไม่ได้นะ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 หรืแม้แต่การกวาดพื้นแม้แต่การทํางาน น, ะนาวกรรมนะก็คืองานก่อสร้างท่านก็ทำนะทาแบบพยายามรู้ตัวนะอันนี้ก็ท่านก็ฝึกฝนตัวเองแบบนี้นเรื่อยๆนะ <c oughs> หลวงพ่อเทียนอยู่หรือไม่อยู่นะท่านก็ทําแต่ถ้าหลวงพ่อเทียนอยู่ท่านบอกก็ก็อุ่นใจก็ดีใจนะเพราะว่าได้ฟังทำจากหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็จะได้ชี้แนะแนวทาง จากการเทศนั่นแหละนะไม่ใช่เกิดจากการไปซักถามนะอยากจะรู้แต่พอหลวงพอเทียนท่านพูดเมื่อไหร่นะเงี่ยหูฟังตั้งใจแล้วก็เอามาปฏิบัตินะจนทั้งท่านก็เออเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้ น, นเรื่อยนะแต่หลวงพอคำเขียนเองท่านก็ไม่ใช่เป็นคนที่คล้ายๆ ย, ยึดติดแต่หรือว่าคิดว่าเออ เมื่อเรียนรู้ธรรมะจากหลวพ่อเทียนน่ะพอแล้วนะจริงเรื่องการปฏิบัติธรรมอ่ะคงพอละแต่ท่านก็ยังแสวงหาเรื่องที่เรียกเป็นเทคนิคนะเทคนิคในการเผยแผ่ธรรมะนะหลวพออคงเขียนต้อบอกว่าพอศึกษากับหลวพ่เทียนเข้าใจธรรมะแล้วก็บางครั้งก็ออกไปข้างนอกเหมือนกันนะไปดูซิ mm. วัดไหนที่เขาสอนวิปัสสนาสอนการปฏิบัติเขาสอนกันแบบไหนเขาทาอย่างไรนะ หลวงพ่อเขียนก็ไปหลายที่นะในกรุงเทพบ้างในต่างจังหวัดบ้างนะก็ไปดูเ อ, อไปรู้ไปเห็นนะบางที่ท่านก็รู้สึกว่าอืมยังยังไม่ค่อยถูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หลายที่ท่านก็รู้สึกว่าเออมันดีน่าสนใจโดยเฉพาะท่านก็ชอบนะชอบในแนวทางอย่างของหลวงพ่อพุทธทาสนะ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 อาจารย์พุทธทาสมากท่านก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราพ่ออีกท่านหนึ่งเหมือนกันท่านบอกว่านี่อาจารย์พุทธทาสสอนให้คนไม่โลไม่โง่โงหลงหลงมงายนะไม่ให้ไปติดกับไสยศาสตร์ไม่ให้ติดกับพิธีกรรมต่างๆนะท่านมุ่งเน้นเรื่องปัญญาน ะ, ะพ่อก็ไปอยู่กับอาจารย์พุทธทาสอยู่สองสามช่วงนะแต่ไปเจออาจารย์พุทธทาสอาจารย์เมื่ทาสก็บอก ไม่ได้สอนอะไรนะตั้งบอกหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าพอไปหาอาจารย์พุทธธาตุอาจารย์พุทธธาตบอกเนี่ยถ้าอยากรู้อะไรนะน่ะไปอ่านหนังสือท่านเขียนไม้หลายเล่มแล้วนะไปอ่านเอาหลวงพ่อก็ไม่ได้มีโอกาสสนทนากับอาจารย์พุทธธาตเท่าไหร่พออาจารย์พุทธธาตบอกให้ไปอ่านเอาแต่จริงอาจารย์พุทธธาตก็คงเทศนะตัวหลังหลังสวดมนต์ทำวัดท่านก็คงเทศหลวงพ่อก็คงได้ฟัง นะก็คงประทับใจอยู่นะหรือว่าท่านพาทํางานทําการนะท่านก็รู้สึกเออเนี่ยก็เป็นการสอนธรรมะนะของอาจารย์พุทธทาสถ้าจําไม่ผิดเหมือนตอนนั้นนะพ่อก็ไปอยู่กับอาจารย์พุทธทาส ต, ตอนกําลังสร้างโรงบหอศพทางมิญยานนะก็ส่วนใหญ่ก็ทํางานเหมือนกันน่ะแหละนะก็ได้เพื่อนได้มิตรรายรูปที่ท่านก็ไปมาหาสู่หรือรู้ึกถึงกันบ่อยๆเช่น หลวงพ่อสนองนะวัดสังฆทานเชื่อนั้นก็อยู่ที่ส่วนโมบนะะก็ได้เจอกันหลวงพ่อบัญญัตินะวัดป่าธรรมดาที่โคราชก็สนิทสนมกันนะก็ทํางานด้วยกันคุ้นเคยกันนะหลวงพ่อขงเขียนท่านก็เนะี่ยไปสแสวงหานะแนวทางในการเผยแผ่ธรรมะนะไม่ใช่สแสวงหาธรรมะมันต่างกันนะก็คือท่านไม่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 คืสมัยนี้อาจจะพวกเราก็ใช้โปรเจคเตอร์นะใช้โนอทบุ๊กฉายไปเลยก็สะดวกไปอย่างนะแต่สมัยก่อนเนี่ยพ่อใช้สไลด์ท่านก็ยังบอกเนี่ยในพิพธภัณฑ์หลวงพ่อนะอเอาเครื่องฉายสไลดนะ์นไปอยู่ด้วยนะนะแผ่นฟิล์มสไลด์อยู่ไดนะ้นะท่านก็คงระลึกว่าสมัยก่อนเนี่ยบุกเบิกเรื่องการเผยแพร่ธรรมะนี่ก็มีเครื่องมือเนะี่ยช่วยทุนแรงท่านไปได้เยอะนะท่านก็เอาไปใช้นะ ก็เป็นสิ่งที่ท่านเรียนรู้นะดางทีท่านก็บอกว่าท่านก็ชอบฟังฟังธรรมะจากอุปชาของท่านนะเจ้าคุณสีหานาถนะที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดที่เมืองเลยท่านบอกท่านเทศแบบเหมือนสีสหนาถบรรือนะก็คือเหมือนเหมือนราชสีที่แบบคํารามนะเวลาเทศแล้วแบบมันมีพลังนะพลังในการสอนมากมนะท่านก็ฟังนะ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 ตอนที่ท่านนบจาลาหลวงพ่อไปอยู่ที่พูลงนะหลวงพ่อก็พูดทํานองว่าเนะี่อพระพุทธเจ้าเนะี่ยไม่ไม่ถามหาคนที่ทําแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวนะหรือคนที่พระพุทธเจ้าหรือคนที่ทําแต่ประโยชน์ผู้อื่นทําแต่ประโยชน์ภายนอกนะะพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถามหาเหมือนกัน แต่พุทธเจ้าท่านถามหาคนที่ทําทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านนะ่ะครบคู้กันไปนะหลวงพ่อก็คงเอาตรงเนี้ยมาใช้ในการดําเนินชีวิตของท่านนะ่ะเราเองก็น่าจะได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตนะของหลวงพ่อในช่วงที่ฝึกฝนตนเองอย่างเข้มข้นหรือว่าเป็นช่วงที่ออกมาเผยแผ่ธรรมะนะ่ะในตอนนแรกนะก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการ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 มีโอกาสได้ได้สัมภาษณ์หรือท่านเร่าให้ฟังนะก็เลยเอามาบอกเราสู่พวกเราเนะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการฝึกฝนตนแล้วกนะ็ช่วยเหลือผู้อื่นนะในชีวิตในชีวิตของเราเนาะนะเราก็จะได้เป็นคนที่เดินตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อนะทำทั้งความรู้สึกตัวแล้วก็ให้ทำกิจทำหน้าที่ของเรานะให้ดีไปด้วยนะ